มีผู้ที่ไปเดี๋ยว น, นี้เว็บไซต์เพียวธรรมะคอมเนี่ยมีผู้ไปเยี่ยมเยียนมากมแล้วก็ถ้าใครไปเยี่ยมเยียนเห็นข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ต้องการฟีดแบ็หรือให้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆก็ส่งไปได้ <c oughs> นะไม่จําเป็นต้องเป็นคําถามก็ได้เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารกับคุณสรนชนีหรือว่าผู้อยู่หลังไหม่ทุกท่านก็ส่งมาได้ก็แล้วก <c oughs> ันคำถามฉัน<า><า>เอก็เคยแวะเข้าไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเขียนอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้พบกับท่าน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 ทีนี้อยากจะกราบเรียนท่านปุณคือเกลื่อนตอนค่ะคื อ, อรายการนี้เราเน้นเรื่อ ง, <c oughs> งพัชนะท่า่านเพื่อจะ<า>ตกใจนะคะให้ดิฉันตกใจคนเดียว <c oughs> เพราะว่าท่านไปบูลเนี่ยท่านต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยมีสติโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ด, ดําเนินรายการนะคะนั่นเองก็พยายามพยายามเพราะ้อย่างคําพูดที่พระพเจ้าแยกกันใช้อย่างชัดเจนเนี่ยคือคําว่าตัณหาค่ะคือความอยากกับ อ่าเป็นสิ่งที่พระองค์เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกำหนดบนบทพ ย, ยัญชนะที่ถูกต้องได้เนี่ยจะเป็นการดีมากเพราะฉนั้นคำว่าอยากเนี่ยก็เลยจะใช้กับสิ่งที่ไม่ดีท่านั้นเองถ้าสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะเปลี่ยนคำพูดเป็นคำว่าต้องการหรือมีความประสง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 จะ <C> e แ, แยกกันสองอย่างอย่างนี้อันนี้แหมมีรายละเอียดแง่มุมที่เข้าใจว่าส่วนใหญ่ใช้กันเพื่อถูกนะคะถูกต้องแล้วก็บทเพียงชนะของพุะเจ้าเนีย่ยเนี๊บนะพระองค์จะพูดเหมือนเหมือนกันใน <C> e ที่ต่างๆแล้วก็จะไม่หลุดจากเรื่องพวกนี้เลย <C> e นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวขอสรุปทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์ได้ศึกษาพุทธวจนะและเข้าใจว่าคําว่าเรื่อมใสายกับศรัทธา